ตัวจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องชีวิตนี้เพื่อฟ้าดินโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13พฤษภาคม2543เนื่องในงานกอบกอบุญทางสังคมเพื่อฟ้าดินครั้งที่7ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ขอเชิญท่านติตาท่านฟังได้นะบัดนี้ะจะเจริญธรรม ท, ทุกๆคนอตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ศึกษานอกจากศึกษาก็มีการฝึกฝนไปในตัว มีการสัมผัสเรียนรู้สิ่งที่เป็นผลผลิตในสัมผัสแต่ต้องจากผลผลิตที่จะมีตัวอย่างด้วยไปในตัวอีกรายการเพื่อฟ้าดินเนี่ยพอฟอดออตมาเป็นคนตั้งเองพอฟอดอคำเนี่ยเพื่อฟ้าดินเนี่ยพอฟอดดอเห็นว่ามันเพราะดีมากเลยเพื่อฟ้าดิน เราจะทำอะไรเพื่อฟ้าดินเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อันมีองค์ประกอบของธรรมชาติมีดินน้ามลมไฟต้นหมากรากไม้สิ่งสาราสัตว์มีฟ้ามีดินคลุมอยู่เนี่ยเรามีองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างในที่นี้แต่โบราณกาลแต่ก่อนแต่เก่าอุดมสมบูรณ์มากมายเราได้อาศัยใช้ชีวิต อยู่กับสิ่งนี้มาชั่วการะนานแต่เดี๋ยวนี้เราทรยศคนได้ทรยศหรือได้ขบถต่อฟ้าดินต่อธรรมชาติมากมากจริงๆจนร่อยหรอจนจะไม่เหลือคนจะต้องเร่งมือขึ้นมาสร้างเสริม เข้ามาช่วยธรรมชาติธรรมชาติเองไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีพลังพอที่จะเป็นได้เองทันทันการผลาญเพราะมนุษย์ยังไม่ยอมตายคนยังไม่ยอมหมดออกไปจากโลกยังคงทำการผลาญอยู่ในโลกด้วยอวิชชาด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เพราะงั้น <c oughs> เราถึงต้องมารู้ความจริงอันนี้รู้แล้วไม่ใช่รู้ปลอบเปล่ า, ลารู้แล้วเราก็จะต้องกระทําการเสริมสร้างส่วนขาดเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโล ก, กุตระเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่รู้จักอะไรมันขาดพร่องอะไรคือดีมานของโลก สิ่งที่มันขาดพร่องอยู่ขณะนี้เนี่ยคือธรรมชาติทิวานี่แหละมันขาดพร่องในฟ้าดินในโลกใบนี้มันขาดพร่องมากไร้อรอมากนะเพราะงั้นจึงเป็นภาวะที่จะต้องซัพพลายที่จะต้องทำอุปสงค์นี้ขึ้นให้แข็งแรงคนที่เขาไม่รู้ หรือแม่รู้เขาไม่เอาใจใส่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแต่เราเห็นว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่จะอยู่เย็นเป็นสุขที่จะดำเนินไปได้อย่างดีงามมันเป็นเรื่องพิเศษและมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังอันตมาจึงเห็นว่าการที่จะมาระดมสร้างน้ำสร้างดินสร้างดินน้าลมไฟสร้างพึก สาพัญญาหารธัญญาหารต่างๆขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันเป็นความจําเป็นที่เร่งด่วนมากเป็นความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอราจะมาประกาศกับพวกเราชาวโศกเสมอเ ส, สมอเลยว่าพวกชาวโศกจะต้องเป็นนักกสิกรเป็นนักกสิกรรมต้องเป็นกสิก ร, รตัวยิ่งยง ใครจะหนีจากไร่จากนาจากสวนจากพืชอะไรไปเขาก็เรื่องของเขาเราจะอยู่อยู่กับไร่านาพืชสวนต่างๆนี่แหละเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้และจะอยู่อย่างเข้าใจด้วยว่าแม้มันจะถูกมันจะราคาถูกมันจะไม่ได้พาร่ําพารวย เราก็รู้ทฤษฎีของโลกุตระทฤษฎีของบุญนิยมหรือทฤษฎีของสัจธรรมอันเอกแล้วว่าเราไม่ต้องรวยอะ่ะแต่เราสร้างสิ่งที่จําเป็นของมนุษย์นี้ขึ้นมาให้แก่มนุษย์เถอะสละได้ให้ฟรีได้ยิ่งดีไม่ให้ฟรีได้ก็ขายต่ําก็ราคาทุนให้มากที่สุดทัศนีมากได้ตามหลักการของบุญนิยมของเราขายราคาน้อยสุดราคาต่ําที่สุดให้ได้ให้ของดีที่สุดราคาต่ําที่สุดแล้วเราก็จะ แจกจ่ายเชื้อจานหรือว่าเผื่อแผ่เกื้อกูลกันให้คนมีกินมีอยู่ได้กินได้อยู่กันไปนะเพื่อที่จะอุ้มชูกันไม่ใช่เพื่อทํามาแลกลาบแหลกยศมาทําเพื่อที่จะมาทำเป็น เ, เป็นสินค้าเป็นผลผลิต ท, ที่จะมาขายเอาเปรียบขายแล้วค้ากําไรมาให้แกตนเองความต้นะการณ์ของบุญนิยมของเรานั้นแน่นอน ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะาเราจะต้องกระทำตามอุดมการหรือว่าตามปัญญาที่เรารู้อยู่แล้วว่าแนวทางอันประเสริฐมันเป็นอย่างนี้เราก็จะทำตามแนวทางอันประเสริฐนี้ให้สำเร็จประสิทธิผลขึ้นมาให้ได้จริงๆเพราะงั้นเรารู้อยู่อย่างนี้เนี่ยเราทำกสิกรรมเนี่ย มันไม่รวยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรวยเพราะคนรวยไม่ใช่คนดีขอกล่าวไว้ณที่นี้แล้วว่าคนรวยไม่ใช่คนดี น, ะค น, ค น, ดนะคนรวยไม่ใช่คนดีขอกล่าวย้าเพราะใครรวยรีบรถลงมารีบทําจนลงมาเพราะรวยไม่ใช่คนดีเพราะการรวยคือการมีเปรียบการได้เปรียบการดูดดึงเอาทรัพย์สินคารอะไรก็แล้วแต่เถอะ ไปเป็นของตนในชนิดที่ได้เปรียบมากเข็นแก่ตัวผิดหลักศัจธรรมผิดหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์จะต้องกระจายให้ทั่วถึงกันให้เป็นอยู่สุขให้มีเสมอสมานกันคนที่เขาได้สมรรถนะได้ความสามารถได้ความรู้เขาก็อยากมีความรู้แต่คนได้เขาย่อมผลิตไม่พอกินพอใช้เป็นต้นหรือมีน้อย เราก็จะจ่ายเชื้อจานเขายิ่งคนที่เป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นคนป่วยเป็นคนพิการเป็นคนไร้สมรรถภาพอยู่ในสังคมนี้มีแน่เราต้องเชื้อจานเขาเผื่อแผ่เขาแม้เขาจะเป็นคนไม่เก่งเท่าเราไม่รู้เท่าเรามีสมรรถนะน้อยกว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถความเก่งนั้น ไปเอาเปรียบคนนั่นเป็นความคิดที่เลวสามความคิดของคนที่มีความสามารถดีมีความรู้ดีแล้วเอาความสามารถความรู้นั้นไปใช้ผลิตก็ตามคิดค่าแรงงานความรู้ความสามารถก็ตามอย่างเอาเปรียบคนนั้นเลวโดยสัจธรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากความสามารถมากนั้น ต้องมีเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบปรัชญาข้อนี้นี่คนยังไม่คิดยังไม่ทราบซึ่งแล้วก็เร่งรัดพัฒนาความรู้ความสามารถกันขึ้นมาเพื่อไปแข่งขันเอาเปรียบเอาละกันอยู่ในสังคมโลกทึ่งเลวร้ายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เข้าใจสัจธรรมบทแค่เนี้ยประเด็นแค่เนี้ยว่าโลกทุกวันนี้เนี่ย ไม่ศึกษาสัจธรรมกันและไม่ปฏิบัติให้ตรงตามสัจธรรมกันรู้ลึกๆพอรู้นะปฏิพานมีพอรู้เหมือนกันว่าเอาเปรียบไม่ดีรู้แล้วก็เสียแซงสร้างภาพว่าไม่เอาเปรียบหรือว่าไม่พยายามที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เป็นคนขี้โลภเป็นเห็นคนเอบะกยเอามามากๆ ท, ทําทีแต่จริงๆไม่หรอก สละออกมาก็สละยังสร้างภาพจ่ายออกมาเพื่อเป็นเบี้ยบ้ายรายทางเพื่อที่จะล่าได้มากยิ่งขึ้นเป็นกลวิธีของสังคมทุนนิยมเพระเาะฉะนั้นเราเห็นความเร็วความเร็วร้ายพวกนี้เราไม่ประพฤติเราประพฤติมาเราก็ต้องเลิกหัดเลิกจริงๆและมหัดเป็นคนมีน้อย พระพุทธเจ้าเป็นคนร่ํารวยเป็นคนสร้างฐานะของตนเองมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติแต่ละชาติท่านก็สร้างสมมาด้วยภูมิรู้ทางศัจธรรมอันนี้ท่านยิ่งสร้างท่านยิ่งสละคนยิ่งสละคนยิ่งมีบุญบารมีเกิดมาก็ยิ่งจะรวยฟังตรงนี้ให้ดีๆคนเรายิ่งสละเราก็มีน้อยเราสละออกไม่เอามาเนี่ยเราจะเป็นคนมีน้อยในชา ต, ติปัจจุบันจะมีน้อยทุกปัจจุบัน แล้วเราก็สละออกสละออกให้เรามีความเป็นอยู่ได้รอดแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นเราก็จนแต่เรารวยบุญเรารวยกุศลเรารวยประโยชน์คุณค่าที่เราได้ให้แก่คนอื่นได้สละสละออกไปมันก็หมดไปเราก็มีน้อยจึงเรียกว่าอปิชฌาเป็นคนมักน้อยน้อยก็พอเรียกว่าสันโดษเรามีน้อยเราก็พอสันโดษใจเราก็สงบเพราะว่าเรามีปัญญาเรารู้แล้วว่าเรามีน้อยแค่นี้เราก็สบาย ไม่มีเงินสักบาทก็สงบไม่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นมีน้อยก็สงบใจสงบใจสันโดษใจพอน้อยก็สงบแต่ไม่ถึงขั้นทรมานตนเองอัตตะ ก, กิลมัทธาโยกไม่ใช่เป็นขั้นทําลายทรมานตนเองแม้ตนเองลําบากอยู่รอดกินมือเดียวเป็นต้นเสื้อผ้านาแพรก็มีพอนุ่งพอหฮม บ้านช่องเรือนชาญก็หลังไม่ต้องโตต้องใหญ่อวดอ้างเบ่งข่มใครอยู่กันอย่างสบายง่ายดีได้พักได้ผ่อนถูกต้องตามสาระของมันอะไรงไรี้เป็นต้นไม่ต้องไปเฮอเฟออะไรกับของสวยของงามของหรูหราของอะไรที่เขาเบ่งเขาข่มกันในตลาดซึ่งทุนนิยมมันมอมเมาเรียกว่าประโคมกันมอมเมายัวย่วย้อมยั่วเย้าอะไระอะไรกันมากมายเพื่อเป็นจิตวิทยาสังคมที่มันจะยั่วยุให้คนหลงติดหลงยึด แล้วก็มักได้แล้วก็โลภโมโทสันอะไรก็นแล้วแต่เพราะเราจะมาเป็นคนน้อยได้รู้จักสาระสัจจะของชีวิตเรามีอุปจัยสี่เรามีอาหารกินเรามีเครื่องนุงห่มพอใช้เรามีบ้านช่องพอพักเรามียารักษาโรคพอสมควรในอุปจัยสเดี๋ยวนี้ก็ไปนับเงินทองว่าเป็นปัจจัยที่ห้าบางคนบ้าบ้าบอ ไปเอาวิตองไปเอาชูดองอะไรมาเป็นปัจจัยที่5้าอะไรงี้บบา้บาบอๆก็มีนะบางคนเอาเอะไรบางคนอาจจะไม่รู้วิจตองชูดองคืออะไรอไอ้เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันหลอกมาเอามาขายราคาแพงๆไอ้ชิ้นอย่างงี้กระเป๋าอย่างงี้อันหนึ่งราคาเป็นแสนยังมีเลยซื้อมาอ่างอวดกันโอ้โหห้อยไปนี่ต้องให้ดูยี่ห้อเลยนะ แล้วก็ถูกเขาล้วงตับกินไส้ไปเขาล้วงเอาเอาเปรียบนะ่ะนะทุนนิยมมันจะเอาเปรียบวิธีนั้นนะ่ยหลอกให้คนโง่าตามแล้วก็เอาไปได้เราไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้อย่าไปโง่ให้เขาหลอกเลยมันคนโง่โง่ไม่เสร็จเลยนะ่ะอาตมาก็เห็นแล้วก็โอ้โหทำไมถึงโง่ได้ดักดานยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็ถูกหลอกกขาอยู่งั้นนะ่ะแต่เราเองเมื่อไม่ไปโง่อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปโง่อย่างเขา เข้าใจแล้วก็จบไม่ต้องไปมีอย่งงางนั้นบ้างแม่ต้องไปมีกระเป๋าราคาไบละล้านใบละแสนใบละหมื่นอะไรก็เข้าบ้างไปมีเสื้อตัวละแสนบ้างใส่อะไรไงี้ไม่ต้องบ้าไม่้งไปบ้าเขาหรอกเสื้อใส่กันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุ จ, จาร์ก็พอแล้วเป็นสาระของมันถูกต้องแล้วอะไรไงี้เป็นต้นเราก็มีชีวิตที่ศึกษาสัจธรรมพวกนี้มีเป็นนักกสิกรรม เป็นเกษตรก ร, กรที่จะสร้างพริกแผ่นดินทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีทำลมฟ้าอากาศให้มันดีจนหมากรากไม้มีผลผลิตที่ไม่มีสารพิษไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีโท ษ, acak, โทษเป็นของดีที่คนจะต้องไปใช้แล้วมีประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตร่างกายทุกวันนี้นี่พืชพันธุ์ธัญญาหารสร้างขึ้นมามอมเมากันเป็นพิษที่เป็นพิษลักษณะเป็นพิษเรียกว่าวีสะ เป็นสินค้าเป็นพิษเรียกว่าวีสวรณิชาการขายังพืชพันธัญญาหารนี่ใส่ยาค่ามแมลงใส่อะไรเป็นพิษเป็นไปใส่สารเคมีใส่แม่แต่โฮอร์โมนโฮอร์โมนโดบเดอรอะไรเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเพี้ยนไม่หมดนะ่ะบ้าบ้าบอบหนักเข้าเป็นกระเทยเป็นตุด๊ดเป็นอะไรไปโฮอร์โมนต่างๆก็ไปทําลายสารพัด ท, ที่มันจะเป็นร่างกายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดทั้งโฮอร์โมนทั้งสารเคมีเข้าไป ซึ่งมันตกค้างแล้วมันก็ไปอยู่ในร่างกายอยู่ในสัตว์เขาก็โดบสัตว์อยู่ในพืชเกาก็โดบพืชอะไรนี้ต่างๆหรือแม้แต่สารพิษใส่เข้าไปคนก็กินแซงเข้าไปอย่างนั้นอ่ะชีวิตก็ทําลายถูกทําลายพวกนี้เป็ น, ปนบาปมิจฉาวณิช า, า, ชามิจฉาในเรื่องของวีสะวณิชามัง่งมัตชาวณิชามัง่งมองมเมา อ, อย่างเข้าไปทําให้ไก่มันตัวอ้วนๆไก่มันตัวมีมันมากๆอะไรเขาก็ใส่สารเคมีใส่ จะดรงดบก็ได้ไปนั่นคือมอมเมาในตัวและเป็นพิษในตัวด้วยเป็นวีสะด้วยเป็นมัชชะด้วยมอมเมาเพราะโอ้โหอย่างงี้น่ากินไก่น่วมไก่อะไรแล้วแต่เขาดบเนื้อไก่เนื้อมัวเนื้อหมูแล้วแต่เขาจะ เ, าเพราะทุกวันนี้คนมันมีความรู้ในด้านเคมีธาตุเพราะฉะนั้นมันก็สังเคราะห์พวกนี้มามหลอกกันค่ากันขายกันแล้วก็กินกันไปนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งพืชก็ดีเราเอาละเราไม่เลี้ยงสัตว์เพราะเราไม่ต้องกินสัตว์ มเมื่อเรียนรู้สัจจะพวกนี้แล้วเราต้องมาพยายามพาคเพียรทุกวันนี้คนทําพืชทําผักขายกันเป็นวีสระวณิชากันมากงทำให้ต้นพืชต้นไม้มันสวยมันงามอะไรเขาบารุงหมดแม้แต่แช่แข็งเงี้ยคุณคิดดูสิเขาเอาไปแช่ให้มันสดชื่นเอาไปเอาอะไรไอยเอายาเลยนะฟ อ, อร์โมลินมาแช่ให้มันสดแข็งด้วยสดด้วยไม่รู้จักสีตกอะไรด้วยนะ เอาฟอรมลินมาดูดีมอมเมาคนเห็นไหมเป็นมัจฉวณิชาแล้วมันเป็นพิษไหมเป็นอีกวีสวาวณิชาต้นไม้ต้นเดียวที่เขาเอาไปขายพืชต้นเดียวเอาไปขายที่เขาได้สร้างมันด้วยความเข้าใจของเขาเอาไปปลูกมาให้ดีๆใส่พิษใส่ยามาแล้วเสียจให้มันใบงามด้วยนะมอมเ ม, มาตั้งแต่ต้นสร้างม า, ส ร, า, งมาสร้างมาเสร็จอามาจะมาขายก็มาแช่ฟอร์มอลินอีก เอาไปขายเพื่อให้มันงามมอมเมาคุณคุณจะได้หลงชอบมันชื่นชอบอุ้ยสวยจังโอ้โหสดจังเขียวดีจังไงและคุณก็เอาไปกินเป็นทั้งมัชชะวณิชาเป็นทั้งวีสวาวณิชาเป็นมิจฉาชีพทั้งสองประการทั้งสองเชิงอย่างนี้เป็นตน้นเรามาเรียนรู้สัจธรรมพวกนี้แล้วอย่าทําบาปอย่าทำร้ายทําลายก้นคนอย่าทําร้ายกันอย่าทําลายกัน เนี่เราจะมาศึกษาสัจธรรมพวกนี้กันพอฟอร์ดหรือเพื่อฟ้าดินนี่เราได้พัฒนามาหรือว่าได้อบรมฝึกฝนแล้วก็ได้มาร่วมประชุมหลักในการประชุมกันเสมอโอภาปราศัยกันเสมอมีเรื่องราวอะไรเอามาปรึกษาหาหรือกันเสมอๆ เ, เรียกว่าอปิริหานิยธรรมของพระพุทธเจ้าพลั่งพร้อมกันประชุมพลั่งพร้อมกันเลิกมีสารัะอะไรก็เอามาใช้กันอยู่ในหลักในเกณฑ์ของที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอน เราทาตามทันหลักการของพระเจ้ารับรองว่าอยู่เป็นสุขสงบสุขสุขอย่างเจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยมันอุดมสมบูรณ์เพราะมันไม่ทำลายและมันไม่แย่งชิงกันฆ่าแกงกันมันอุดมสมบูรณ์เพราะขยันอุดมสมบูรณ์เพราะมีสมรรถภาพมีฝีมืออุดมสมบูรณ์เพราะไม่งอมืองอเท้าไม่จำนนเพราะงั้นคนเราจะต้องเป็นนักศึกษา ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนไปนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็เป็นศิรุษีชีไพไรไม่รู้เรื่องกันอยู่อย่างงั้นนะบ้านเมืองถึงล่มจมไปหมดเมืองไทยมันล่มจมหนักก็เพราะว่าศาสนาพุทธทำให้คนงมงายที่อื่นเขายังทำงานศาสนาอื่นเขายังทำงานกันมากศาสนาพุทธกลายเป็นว่าถ้าคนดีปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปนั่งสงบนี้ผู้นี้คนไม่รับผิดชอบเรื่องราวสังคมอะไรแต่ออกไปหลบสะกดจิตอยู่ แล้วก็ดึกด า, ดากดานอย่างนั้นนะลงภพล้ชาติแบบนั้นนะจึงเจริญยากคนจนยากขอทานมากลักษณะนี้ก็ขอยกตัวอย่างประเทศอินเดียให้ฟังจะคนจนมากขอทานมากแล้วก็จำนวนต่ออะไรต่ออะไรมากสงบสงบนะประเทศอินเดียสงบพล เ, เมืองตอนนี้ก็จะพันล้านแล้วสงบแต่มี คาแรคเตอร์อย่างนั้นแหละมีพฤติภาพอย่างนั้นสงบอย่างจำนนสงบอย่างไม่มีปัญญาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าไปดูถูกประเทศเขาแต่อัตมายกตัวอย่างขึ้นเพื่อให้เห็นสัจจความจริงคนอินเดียนั้นน่าสงสารใช้วิธีครอบงำกันมาตั้งนานเป็นร้อยเป็นพันหลายพันปีแลวคนก็อยู่ในระบบอย่างนั้น โดยลัท ธ, ธิของทางาศาสนาเป็นลัท ธ, ธิของการนั่งสะกดกจิตและหนีสังคมเห็นว่าเป็นการเลิ่ยอดนี้ก็ไปอย่างาศาสนาเชนเงี้ยฮินดูก็ตามนี้ก็ไปเข้าป่าเขาทำทรมานตนเองหรือไม่ก็ปลีกย่อยไปแม็ดมักน้อยขนาดสุด ต, ตองไปไม่หนุ่งผ้าหน่อยเชนอยู่ป่าเขาทําไม่เอาไม่เกี่ยวไม่ยุ่งห น, ะนีโลกนึกว่ามันเป็นความวุ่นวายอะไรอย่างนี้เป็นตน้น ซึ่งไม่มีอำนาจฤทธิเดชในชีวิตในจิตใจจิตวิญญาณไม่กล้าแข็งจิตวิญญาณไม่ได้เข้าใจไม่มีปัญญาอยู่เหนือโลกเป็นโล ก, กุตระเขาพูดนี่เป็นจิตวิญญาณที่มีทั้งปัญญาอยู่เหนือโลกและมีทั้งกำลังใจเจโตแข็งอำนาจกิเลสในโลกครอบงําไม่ได้จึงเรียกว่าโล ก, กุตระไม่ได้หนีหลักการมรคองแปดทาสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิใช่มรคองเจ็ด ปฏิบัติแล้วก็เกิดสมาสมาธิไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเอาแต่นั่งหลับตาก็เรียนรู้อย่างสมาธิิฐเข้าใจว่านั่งหลับตาคืออย่างไรมันมีผลมีประโยชน์อย่างไรเราก็ทําได้ทําแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเสริมซ้อนเข้าไปไม่ใช่เป็นมอมเมาตัวเองสะกดจิตตัวเองแล้วก็หลงไหลทางผิดหนีออกไปเห็นแก่ตัวเองเห็นไปติดพบติดรูปประชานอารูปประชานอะไรไปบ่บ่บ่ออีกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ศา ส, สนาพุทธลึกซึ้งกว่านั้น แต่ตอนนี้มันเพี้ยนแล้วความหมายของศาสนาพุทธมันแปลมันปลอมมันปฏิรูปไปจนกระทั่งมันลดต่ําลงไปเป็นศาสนาแบบฤษีแบบที่เข้าใจกันอยู่เนี่ยและมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเห็นไหมเรากำลังมาพลิกฟื้นเอาศาสนาพุทธที่แท้จริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนได้ฝึกปรือตามโพธิปัจฉิยธรรมหรือมรรคองแปดโพชชงเจ็นี่ให้มันมีประสิทธิภาพอย่างที่เราทํามาแล้วเนี่ยอาตมาทํางานทางด้านนี้ศาสนาพุทธมา 20-30 ปี เราก็ได้พัฒนากันขึ้นมาจกนกระทั่งพวกเราสามารถที่จะเข้าใจสัจธรรมพวกนี้จึงเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษตามที่พระเจ้าท่านตัดไว้ทั้งนั้นแหละนะเป็นคนสุโภโรทุอสุโศสะอปิจสันตุธสันเลขะทูตะอะไรพวกนี้เป็นคนที่มีการขัดเกลา่าเป็นคนมีศีลศีลเจริญศีลเคร่งศีล ส, สาคัญสูงขึ้นไปตามลาดับ เป็นคนมีอาการที่น่าเหลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมอปัจยะไม่สะสมเป็นคนยอดขยันวิริยรัำพะขยันอยู่เสมอปรารบความเพียรปรารบความขยันอยู่เสมอเรียกว่าวิริยารำพะนี่เป็นคุณสมบัติของคนที่พัฒนาตามธรรมมาของพระเจ้าแล้วจะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดไม่ยึดมือกันที่แหม จะไปจะมาจะกินจะอยู่กบอูบจะต้องดิบดีจะต้องถูกใจจะต้องรูหราจะต้องสมศักดิ์ศรีจะต้องอะไรบ้าๆบอๆติดทั้งรถติดทั้งเกียริรถชาตินะจะกินจะอยู่จะใช้มีทั้งรถชาติมีทั้งเกียร์เสริมอยู่ในนั้นน่ะเป็นคนเลี้ยงยากอยู่ยากแบบนี้มันน่าจะส่งไปตายสไปอะไรเงี้คนพวกนี้นักแผ่นดินจริงๆ ลำบากต่อสังคมมากคนพวกนี้ยิ่งสร้างตัวเองยิ่งทำตัวเองศึกษาสูงยิ่งกลายเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างกินยากอยู่ยากคนพวกนี้พัฒนาให้เจริญได้ยากเรียกว่าทุบโปสัจะต้องเป็นคนสุโปสัพัฒนาได้ง่ายบํารุงง่ายเสริมสร้างได้ง่ายคนพวกนี้ติดยึดมากเสริมสร้างยากเป็นพวกทุบโปสัพัฒนาไม่ค่อยขึ้น ยิ่งได้บรลลังแล้วได้มีเงินทองมียศศักดิ์มีกินมีอยู่มีใช้อะไรแล้วเขายิ่งไม่ลดละจะลดละไปทําไมมีกินมีใช้แล้ว อ, ะอ่ะบริบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วพวกคนพวกนี้สอนยากเตวทุบโปสักบารุงยากพัฒนายากเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะต้องมาศึกษาศาสตรธรรมจริงๆเป็นคนเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษจริงๆ ทำมายี่สสิบปีจนเกิดกลุ่มเกิดห ม, หมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เริ่มต้นเกิดด้วยการมีคนที่ได้พัฒนามาแล้วมารวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นสังคมคนที่เริ่มต้นด้วยต้นทุนเดียว่าทุนทางสังคมด้ต้นทุนของคนที่เป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยได้ฝึกปลือหัดมาแล้ว ตามธรรมะของพรเจ้ามารวมกันเริ่มต้นสร้างพศส9เป็นพศที่ประกาศได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านมีฐานะเป็นหมู่บ้านมีประชาะกรมีบ้านอยู่ก็ไม่กี่หลังมาถึงวันนี้43สต้นๆพศสี่สามต้นๆไม่ใช่อายุอาตมานะ43ต้นๆ น, นี่พศนี้ มาถึงปีนี้ก็มีบ้านประมาณร้อยคนหลังแต่คนก็ยังไม่ค่อยอยู่เห็นดีนะแต่ยังติดโรคอยู่โรคยังดึงเอาไว้อยู่ยังมายังไม่ค่อยตลอดรอดฝังไม่รู้จะตลอดรอดฝังหรือไม่ฟังไว้บ้านก็มาสร้างไว้แล้วให้แมงให้ให้แมงใ ห, ใ ห, งให้อะไรอะไรมันอยู่นะแต่ก็เอาละก็มีพอสมควร นี่ในพูดโปรยไว้บอกแล้วว่าเทศไปแล้วว่าด่าด่าไว้ด่าฝากฟ้าฝ า, ฝากดินไว้ด้วยเพื่อฟ้าเพื่อดินก็ฝากฟ้ า, ฝ า, ฝ, าฝากดินไปนะแต่ก็ได้ได้ได้ไดรูปแรกรูปลักษได้ภาพลักษพอสมควรเป็นชุมชนเป็นหมู่กลุ่มมีวิวัฒนธรรมมีความจริงของจิตวิญญาณ เป็นคนเลี่ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษพอขนาดไหนสันโดษพอสมควรเพราะที่นี่จะไม่มีอะไรหรูหรานะักจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือร่วมกันเป็นสิ่งที่ร่วมกันเท่านั้นอย่างซาลานี่ใหญ่หรูหราหน่อยเพราะเรารับแขกเพราะเราจะต้องรู้ในคุณภาพที่จะต้องใช่ให้เหมาะสมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นส่วนบ้านช่องเรือนชางของเราก็อยู่กันอย่างสมถะพอสมควรใครที่ยังอยากแข่งอยากขันอยากจะอวดโออะไรอยู่เราก็ปลามปรามกันดึงไม่ก็อยู่นะ ดึงไม่คยอยู่อยากจะรู้ราเลยมีเงินสักอย่างแล้วฉันจะมีเงินฉันอยากทํำดึงดันกันหน้าดูเลยให้เล็กไม่เคยลงที่นี่นะ่ยมันประหลาดอยากเล็กกันแต่เล็กไม่เคยลงแต่ที่อืน่นน่ยอยากใหญ่ให่ไม่คยขึ้นที่อื่นเน่ยเขาใหญ่เท่าไหร่เขา ส, ส, สร้างความสนุเลยไปกู้นี้ยืมสินมาใหญ่ใหญ่กันยอมพยายามตั้งหน้าตั้งตาทาเต็มที่แต่ใหญ่ไม่เค่อยใหญ่ไปแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินใหญ่ไปแล้วก็ขาดตัวตายแต่ที่นี่เล็กให้ลงอยากเล็ก แต่เล็กไม่เคยลงกิเลสมึงนอนยังอยู่นี่ยแหละนี่เป็นลักษณะต่างกันเพราะงั้นจิตวิญญาณก็ดีที่ได้เด็ศึกษาฝึกฝนแล้วปัญญามันรู้ปฏิภาณมันรู้กิเลสมันมีก็สู้มันลดลงมากน้อยสัโดดมันดีก็ทํากันไปมันก็ได้ขนาดนี้แหละสรุปแล้วหมู่บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่หมู่บ้านที่มีมีทั้งวัฒนธรรมแห่งการทํางานอาชีพมีสังกปวาวจากรรมตาอาชีวะที่ได้ฝึกฝนมาในหลักมรรคองค์8 เพราะทุกคนมีแนวคิดเลยว่าสังพปะมีการพูดจาอย่างภาษาพวกเราภาษาพวกเราก็พูดอย่างนี้คุณไปพูดกับคนข้างนอกปั๊บนี่พูดคล้ายๆกันทั้งนั้นนะชาวโศมกจนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันทํำไมมันพูดเหมือนๆกันหมดเลยมันไม่เหมือนเราคนอลีลาคนจำนวนแต่สาระสัจจะเนื้อหาเป้าหมายมันไปอันเดียวกันหมดเลยพูดไปพูดไปไปรเดี๋ยวถึงเข็นเขนเขนเข้าไปเข็นเข้าไปถึงเป้าปัา๊บเดียวกันหมดเลยไปหานินทาน หรือไปหาคนในลักษณะที่ประเสริฐเป็นอริยะอริยะต้องเป็นแบบเนี้ยอริยะต้องมาถอดเกือกอย่างเงี้ยถอดเกือกได้นี่คืออริยะยังใส่เกือกอยู่ยังไม่ใช่อริยะอย่างเงี้เป็นตน้นคนประเสริฐแล้วต้องถอดเกือกได้ยังถอดเกือกไม่ได้โอ้ยังหยิบโยงคนนี้เลี้ยงยากผูกถอดเกือกได้แล้วเท้าแข็งแรงโอโ้โหขนาดเดินไปเชื่อโรคประชานปากของอขอเลยจริงจริง ห้องกองฟูด้ดห้องกองเฟิร์สอะไรก็เป็นเนี่ยเท้าวพวกเราเนี่เดินย่าไปนี่ยรับรองราชธานีฟู้ดไม่มีการเป็นอะไรไม่มีเชื้อห้องโคงเข้าไม่ได้จริงๆเท้าแข็งแรงอย่างนี้เป็นตน้นหรือมีสติสัพชัญญะในการก้าวย่างเดินไปไม่ใช่ไมาเอาอะไรมารองรับเอาไว้แล้วก็รอกันเลยสติเสียงมงายไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ในี่ยกตัวอย่างง่ายๆพระรูปเจ้าเองก็ถอดพระบรมรับประบาท พอท่านจัดสรุนแล้วท่านก็ไม่เคยใส่รองเท้าอีกตลอดพระชนชีพแล้วท่านก็มาผ้าทำกันเสื้อผ้าหนาแพะที่ใช่กับเป็นอย่างนี้มากน้อยท่โดดไปได้สบายไม่เดือดร้อนชุดเช้าชุดเย็นชุดบ่ายชุดกินข้าวชุดไปทํางานชุดกลางวันชุดบ่ายชุดเย็นชุดราตรีชุดนอนมันเนื้อไม่ต้องยุ่งยากนอกนั้นเราก็ทําอาชีพต่างๆอยู่ในนี้ ต่างคนต่างทำงานอาชีพคนในที่นี้ได้อบรมฝึกฝนมาจึงมาเป็นคนที่ทำงานประเภทถึงขั้นบุญนิยมบุญนิยมในระในระดับสาธารณโพคีหมายความว่าบุญนิยมในใ น, ในฐานะของขั้นสาธารณโพคีนี่คือขั้นมีส่วนกลางเป็นสาธารณะ มีเงินรวมเงินเป็นสาธารณมีทรัพย์สินเป็นสาธารณที่นี่พื้นที่ดินที่นี่เนี่ยถือว่าไม่เป็นของส่วนตัวเลยสักคนพื้นที่ของที่นี่เพราะเป็นของมูลนิธิเป็นของกองทัพทำมูลนิธิหมดเป็นเจ้าของกองทัพทำมูลนิธิไม่ใช่ของใครของพวกเราที่เป็นสมาชิกของมูลนิธินี้ทั้งสิน้นนะ เราไม่มีสิทธิ์เอาไปเป็นส่วนตัวอย่างเด็ดขาดได้นีนี่นี่คือเรียวกว่ามีสมบัติส่วนกลางแม้แต่ที่ดินเพราะฉะนั้นผู้ที่ดินตั้งแต่ของใครเริ่มต้นตั้งแต่ของหนึ่งฟ้าเขาบริจาคมาเป็นแปลงแรกจนกระทั่งแปลงเินอื่นๆช่วยกันซื้อก็ในนามของซื้อเข้ากองทัพรรมู ล, ลนิธิทั้งนั้นเพราะในที่ดินแปลงนี้เป็นของกองทัพรรมู ล, ลนิธิทุกคนที่เป็นสมาชิกของ มูลนิธินี้เป็นเจ้าของทั้งสิ้นด้วยกันร่วมกันมันซ้อนวิธีใช้โดยไม่ต้องมีไม่ต้องมีรั้วบ้านช่องกำหนดกันขนาดไม่โตนักกำหนดกันพอสมควรงี้เป็นตน้น อ, อย่างที่เราทำทากันมาเพราะก็อยู่กันได้ไม่ต้องไปนั่งแบ่งเขตว่านี่แย่งกันนี่เขตรัร้วฉันนะ เป็นกำแพงเลยสูง10เมตรปานคุกบ้านแต่ละบ้านเนี่ยสร้างกำแพงบ้านยังกักคุกหนึ่งสเมตรกำแพงไม่รู้มันจะไปกันอะไรกันนกันหนาเสร็จแล้วเลี้ยงอะไรไว้ในนั้นดูไหมหมากำแพงในกานหมาดุๆไว้เพื่อไว้เฝ้าของมีสมบัติอะไรก็เฝ้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันซับซ้อนน่ะถ้าพูดไปแล้วนี่ยิ่งฟังแล้วนี่ยิ่งหน้าเศร้ายิ่งเห็นความเห็นแก่ตัว หเห็นความหวงแนหนเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นเยอะแต่นี่เราไม่หรอกทุกคนก็อยู่อาศัยรวมกันพอมีที่พักที่นอนที่ดินใครจะปลูกจะสร้างก็ช่วยกันปลูกจะช่วยกันสร้างช่วยกันบูรณะมีบูรณาการในหัวใจกันทุกคนทำให้มันเกิดให้มันดีอย่างเป็นต้นมีแปลงดินก็ช่วยกันทำพืชทำผักวันนี้ใครไปช่วยเก็บเห็ดฟางกันบ้างะ มีดินแล้วก็ทําทั้งนั้นอนะทำอะไรต่ออไรซึ่งเรามีความรู้สามารถศึกษาได้นะโดยเฉพาะในเรื่องกสิกรรมดินก็ช่วยกันทำนี่ทำกสิกรรมกันนี่ทำไปทั่วไปเลยไม่เป็นของใครทําแล้วก็มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เรียกว่าสาธานระโาผกีแม้ขายมันเหลือก็ขายบ้างแจกบ้างขายก็ได้เงินมาก็เข้าส่วนกลางแม้แต่เงินก็เป็นของส่วนกลาง อาจจะมีบางคนจำเป็นที่จะใช้ส่วนตัวเป็นของส่วนตัวมีมาของเดิมของตนเองบ้างหรือแม้แต่ในนี้จะมีส่วนได้ส่วนอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างก็เป็นความจำเป็นของบุคคลเท่านั้นสำนึกที่แท้จริงก็คือเราไม่ต้องมาสะสมเป็นของตัวของตนเป็นลักษณะของศาสนาพุทธที่ลึกซึ้งไม่มีอัตตาไม่มีอัตนิยมเป็นผู้ที่อัจจยะไม่ต้องสะสมเป็นคนที่ ไม่ต้องมีสมบัติส่วนตัวแต่มีสมบัติส่วนรวมที่มีภูมิปรรัญญามีนำใจแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ต้องแย่งต้องชิงไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่งกสบายจริงเนี่ยระบบนี้เป็นระบบที่อาตมาจะพิสูจน์นี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธโดยตรงที่ทำได้รูปร่างขนาดนี้ก็เห็นรูปร่างรูปลักษมีรูปลักษ์พอดูได้ ดีกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยดีกว่านี้เป็นได้อีกเราจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะงั้นหมูบ้านนี้อบายยมุกไม่ต้องพูดเหล่ายาแม่ต่บุรีดินกอกหนึ่งก็ไม่มีมีคนอื่นเอาเข้ามามีคนอื่นเอาเข้ามาเอามาแอบดูในในส้วมด้วยบางทีแอบดูในที่รับ ก็แล้วแต่บางทีก็อดไม่ได้ทนไม่ได้แล้วก็ปลามากันบ้างเรายังไม่เรียกว่ายังไม่ซีเรียสขนาดขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินนี่เ็าไม่ให้ดูดเลยนะเราไม่ซีเรียสขนาดนั้ น, นแต่ก็เอาละเราก็อยากจะได้ขนาดนั้นเหมือนกันนะไม่ต้องมาดูดเราไม่ต้องมาอะไรทำลกๆรือเพราะมันเป็นภัยควันมันก็เป็นภั่มีอะไรต่างๆนานา อย่าว่าแต่บุหรี่เลยแม้แต่น้ำสม้มน้ำหวานน้ำอัดลมอะไรที่เป็นขวดอะไรเขาทาขายหลอกกันต่างๆนานานี้เราก็ไม่ถูกหลอกที่นี่เรามีจะมีน้ําผลไม้มีน้ํามะไรก็ทำกินกันไม่จําเป็นจะต้องไปให้เขาเอาสารเคมีมาใส่สีแล้วก็มาหลอกขายใส่แก๊สเข้าไปอีกใส่อะไรเข้าไปให้มันกัดกระเพาะไอกแก๊สที่เขาใส่ใส่น้ําอัดลมพวกนี้เนี่ยเขาเคยเอาไปแช่ตะปูนะเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม เ น, นี่ยน้ำอารมณ์นี่ยเขาเอาไปให้แช่ตะปูตะปูเป็นไงกร่อนตะปูกร่อนได้แล้วไอ้เนื้อหนังคนมันจะเป็นไงไม่กัดมันทนไหวแต่มันก็อาจจะไม่กัดแรงแต่มันก็ทําปฏิกิริยาไปบ้างละ่ะอะไรงี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปถูกหลอกถึงยังไงก็แล้วแต่พวกแห ม, แมเอาน้ามาใส่ขวดเทงี้ขายตังเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ราคาแตะมาไม่รู้แล้วไม่รู้จริงๆไม่รู้ขวดนึงมันขายกี่ตัง รอกันไปนเราก็ไม่ทําอย่างนี้เพราะที่นี่แม้แต่ น, น้ําอัดลมน้าขวดน้ําเปรี้ยวน้ำหวานอะไรนี่นมีน้ําขวดขวดของเราขวดใส่กระทุกรบเสร็จแล้วน้ํากระเจี๊ยบน้ําอะไรของเร า, เราใส่ขวดเขาขายก็ไม่ไปต้องไปใส่สารเคมีอะไรนี้เหมือนกันขวดเราก็ไม่ใช้ได้ขวดก็เอาใส่พราะนั้นเราเอาขวดเพรานั้นมาใส่พวกเราขาย <c oughs> ไม่ขายเอาไปแจกกันมาใช้งานใช้กินใช้ดื่ม อาตมาพูดละเอียดในอะไรอะไรไปให้ฟังนี่เพื่อให้เห็นลักษณะของชีวิตชีวิตประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสัจจะแล้วคนเราก็อยู่สุขสบายลักษณะแบบนี้เป็นไม่ได้ง่า ย, ายที่อื่นอยากจะทำเรียนแบบบ้างในอัตมาว่าไม่ง่ายนะเพราะเขาไม่มีต้นทุนทางสังคมที่วิเศษคือมนุษย์ที่ได้พัฒนามาก่อนอันนี้สาคัญดินแล้วก็มาหาเอาได อาคารบ้านช่องแล้วก็มาหาเอาได้อุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็มาหาเอาได้แม้แต่เงินเราก็มาหาเอาได้ขอให้มีคนดีๆนี่เถอะมาช่วยกันเลยจะทับขึ้นมาได้เพราะที่นี่นี่ปี39ปีนี้เพิ่ง4ี่สสามปี4ปีพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนที่มีรูปลักษ์ขึ้นมาขนาดนี้มีวัฒนธรรมมีการศึกษานี่มีโรงเรียนมีมหาราียมหาอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนจับิด มีสมาสิกาไหลมีตั้งแต่ชั้นประถมอนุบาลด้วยแต่มันก็ไม่เป็นรูปของทางการอะไรเลยนะมีระดับนี่เด็กเล็กก็ดูแล ก, กันไปตามปภาษาเด็กเล็กแบบธรรมชาติซึ่งการศึกษาเราก็มีปรัชญาหรือว่ามีแนวแนวการศึกษาอีกเหมือนกันซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอยู่ขณะ น, นี้เราก็ว่าเราเลือกเอาทางนี้เขาก็กําลังเลือกกันเราก็เลือกเราก็ได้พัฒนากันมาวิาสิณเด่นเป็นงานชั้วิชาเป็นปรัชญาของการศึกษานี่แหละ แล้วก็ทํากันไปแบบของเราแบบธรรมชาติจะเห็นได้พวกเราก็สร้างกันไปเพราะเรามีทั้งักอุ ด, ดมมาใช้อุ ด, ดมมีทั้งอนุบาลมีทั้งปฐมมีทั้งมัธยมแม้แต่อุดรศึกษาเราไม่ได้ยอุดมเดีจะจับเราอีกเราเรียคอุดรศึกษาอยานี้แล้วก็มีของเราไปทําของเราตามความแนวคิดของเราที่เราเห็นว่ามันจะทําให้มนุษย์พัฒนาได้เราจะพิสูจน์เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น สรุปแล้วราชธานีอโศกนี่จะเป็นชุมชนที่จะเป็นตัวแบบหรือต้นอย่าตัวต้นแบบหรือตัวอย่างอะไรอันหนึง่งที่พิสูจน์โดยเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาเป็นแกนหลักจริงๆใครรักที่จะมาเดินทางนี้มาใครไม่รักก็ไม่ต้องมาไม่ง่ายบอกได้ว่าไม่ง่ายต้องมาฝึกฝนตนเองต้องมักน้อยสันโดษไม่เป็นไปอย่างโล ก, กีโลกโลก โลกโลเขาเนี่ยก็หลอกปักกันไปเถอะติดยึดอะไรเขาก็ทํากันอยู่เต็มที่ที่ต้องมาล้างความติดยึดมาล้างไอ้ที่เราเคยสุกแบบโลกีอยากได้อันนั้นเสพก็สุกได้นี่เสพก็สุกเรามาลดได้เงินได้ทองมาให้แก่ตนเองก็เป็นสุกได้ยศได้ชั้นก็เป็นสุกได้สันเสริญเป็นสุกอะไรหรือได้โลกีสุกโลกีจะสุกก็มีทั้งกามาสุกมีทั้งอัตตามานะได้สมใจได้ยศได้เกียรติได้ชั้นได้อะไรของตัวเองสมใจก็เป็นสุกอะไรแล้วแต่พวกนี้เราต้องมาศึกษา ลดละฝืนฝึกฝืนฝื้นด้วยแต่ไม่ได้ฟื้นด้วยกดข่มแต่การเป็นการฝื้นต่อสู้โดยวิธีการบูพพรพเจ้าท่านสอนเอาไว้มีวิธีการลดละเพราะเรามามีชีวิตเป็นชีวิตที่ทั้งมีสัมมาอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะมีทั้งการกระทําอะไรต่างๆมีพฤติกรรมต่างๆเรียกว่ากรรมมันตะมีทั้งการพูดการจามีมทั้งสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะสร้างให้เป็นสัมมา โดยการรู้การเห็นมีโพธิปัจฉิธรรมมีสติปัฏฐานสีสมปทานสีสนสอิทธิบาทสีฝึกฝนสร้างอินทรีห้พละหโดยปวดชงจมักแขึ้นมาให้เป็นโพธิปัจฉิธรรมอย่างนั้นจนเกิดเป็นคนที่ได้ผลิตขึ้นมาตามสูตรของพระพุทธเจ้ามีอาชีพการงานมีอะไรแต่าย ร, รับผิดชอบกันดูนี่พรนี้ที่นี่ 3-4 ปีก็มีโรงงานมีโน่นมีนี่ทาไปเลี้ยงตัวเองพึ่งตัวเองให้รอด ที่นี่มันยังใหม่อยู่ก็เลยพึ่งข้างนอกเขาที่ข้างนอกเขาจึงช่วยไว้เยอะอยู่เหมือนกันอุดหนุนไว้แม้แต่รัฐบาลก็ยังมาอุดหนุนช่วยบ้างในส่วนที่จะต้องค่อยๆสร้างเขาก็ทําเพราะมันใหม่แต่ก็ไม่ได้เอามาเสพเลยเอามาสร้างไปเพราะนั้นที่นี่ก็ทั้งเลี้ยงตนเองให้รอดด้วยทั้งพัฒนาไปด้วยมันซ่อนแล้วก็มันเร่งรัดอบรมคนอื่นช่วยคนอื่นไปในตัวช่วยตัวเองไปในตัวสร้างก่อรากฐานไปในตัวนักนะตั้งต้นไปพร้อมกันก็เริ่มโตเริ่ม ไปกันอนะ้หนักแต่ก็ทำพอได้นะทำพอได้เอาละาเน้นเข้ามาหาเป้าเพื่อฟ้าดินเพื่อฟ้าดินของเราทนี่จะเน้นเข้ามาหาเรื่องการงานการงานเราจะเน้นกัศิกรรมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งย้ำลงไปอีกเลยต อ, อตกหัวตะปูเข้าไปอีกว่าชาวอาโศหรือคนพัฒนาจะต้องมาเป็นชาวใต้ชาวนามาเป็นเกษตรกร พูดแล้วแต่ต้นแล้วว่าแม้จะไม่ได้เงินหรือว่าเป็นคนจนกสิกรรวยไม่ได้เพราะอาหารการกินในโลกในประเทศไหนก็นแล้วแต่รัฐบาลจะต้องควบคุมดูแลถ้าราคาอาหารมันแพงประชาชนเดือดร้อนเดือดร้อนหมดถ้าอาหารมันแพงเพราะคนจนตามธรรมดาธรรมชาติของสังคมและคนจนจะเป็นส่วนมากคนรวยจะเป็นคนจานวนหนึ่งส่วนน้อย เพราะถ้าคือในอาหารแพงคนรวยเขาไม่เดือดร้อนส่วนน้อยนะ่ยเขามีเงินมีทองเขาไม่เดือดร้อนแต่คนจนจะเดือดร้อนมันมีสองสาชั้นคนจนคนชั้นกลางคนชั้นสูงอะไรเงี้ยเพราะคนจนจะเดือดร้อนมากคนชั้นกลางอาจจะพอทุธไถและยังมีพฤติกรรมสังคมอีกหลายอย่างซับซ้อนอยู่ทั้งเป็นการค้าขายเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการถ่ายเทแจกจ่ายอะไรอีกแล้วแต่มันก็จะเป็นภาวะที่ซับซ้อนทําให้เศรษฐกิจวุ่นวาย สรุปแล้วคืออาหารเนี่ยแพงไม่ได้ทั้งๆที่เ ป, เป็นของจําเป็นของจะเล่นเล่ น, ลนหัวหัวของจะไปรประดับประดาของจะไปหรูหราฟูฟ้าอะไรกันคุณจะแพงแพงไปเถอะในของบา้บาๆบอๆไม่มีความจําเป็นไม่ใช่ปัจจัยของชีวิตอาหารเป็นปัจจัยของชีวิตแพงไม่ไหวมันมีอาหารที่มอมเมากันแพงๆก็มีเหมือนกันนะเสื้อผ้าเนี่ก็เป็นปัจจัยแห่งชีวิตแล้วก็มอมเงินไปแพงก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครไม่รู้เท่าท่านก็หลงปัจจัยสีนี้อย่างมอมเมาก็เรื่องของใครที่โง่คนชราดแล้วไม่ต้องแต่จริงๆแล้วนี่นะปัจจัยทั้งสี่นี่แม้แค่ปัจจัยสีไม่ต้องเอาสิ่งนอกเลยอาหารเครื่องนุ่หผมที่อยู่และยานี่นะคนเราที่ไม่ป่วยก็ไม่ต้องใช้ยาบ้านเรือนไม่ต้องมีนอนลูกขมูลโคนไม้นอนพื้นนอนดินนอนหินนอนพื้นหญ้าอะไรก็ได้ นะเครื่องนุ่งห่มแม้ที่สุดไม่ต้องใสเลยโปะเปลือยเลยก็ยังได้เลยไม่ตายแต่อาหารนี่ไม่กินได้ไหมอาหารจึงเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกอาหารจึงเป็นหนึ่งในโลกเอโกโลกังเลยอาหารจึงเป็นหนึ่งในโลกไม่กินไม่ได้ ปัจจัยสีนี่เถอะในปัจจัยสีเนี่ยขาดจริงๆขาดเครื่องนุ่งหมยังได้เลยแต่อาหารนี่ขาดไม่ได้สำคัญอย่างนี้เพราะเราจงต้องมาสร้างอาหารกริกรรมนี่แหละคืออาหารกริกรรมของเราเน้นก็ไปอีกกิกรรมพวกเราเนี่อย่า ว, ว่าแต่สัตว์เอาแต่พืชด้วยเราสร้างแต่พืชสัตว์เราไม่เอาประสุทสัตว์ไม่มี ประมงไม่ทําไปให้ก็เป็นธรรมชาติที่จะเกื้อกูลพืชผลหรือว่าพืชพันธัญญาหารพืชพันธุ์ต้นไม้ให้เขาเ้าไปเป็นสัตว์ที่ช่วยเลือกเกื้อกูลพืชพันธุ์ต้นไม้ศึกษาเขาแม่แต่มแมลงแม่แต่แม่ไต้งูเงี้ยวแม่แต่หนูแม่แต่ไอตัวนั่นตัวนี่อะไรที่มันาจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้เขาเป็นประโยชน์แก่กันและกันซึ่งจะส่งเสริมพืชนี่ต้องศึกษา จะปูปลาเนี่ยเรอยู่ของเขาไปเราไม่เกี่ยวชีวิตไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ด้านเดียวจะเอาแต่พืชนี่ก็เหลือแหละแล้วชีวิตไม่ต้องกินเนื้อสัตว์นี่ไม่ขาดชีวิตไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ยืนยันได้ว่าไม่ขาดและจะถูกสัจะทำมากกว่าด้วยแต่เอาเถอะไม่อยากเถียงกับเขาเพราะว่าคนทั้งโลกมันกินเนื้อสัตว์เกือบทั้งนั้นส่วนไม่กินเนื้อสัตว์มีอยู่ไม่กี่ก็ยอม มีกระยอบใหญ่ๆ ใ, ในเมืองอินเดียบ้างอยู่ในเมืองจีนบ้างเล็กน้อยส่วนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยนี่ยิ่งน้อยใหญ่เลยจะมีชาวอโศก่านันลมาที่กินกันอย่างแน่ชัดตลอดชีวิตเทวตมาคงจะต้องเทศอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวท่านรองท่านจะไปมีเวลาถึงแค่ 10.30 มงนะ เพราะนั้นเราจะต้องมาประชุมกันอันตอมาเห็นการก้าวหน้าในการประชุมสัมนามีอะไรใครได้อะไรใครมีความรู้อะไรเราเอามาแบ่งปันกันเอามาบอกกันเอามาใครทำอะไรได้เอามาดูกันเอามาโชว์กันมาพิสูจน์กันมีประโยชน์คุณค่าอะไรไเท่าไรแค่ไหนนะเราประชุมกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรที่จริงครั<บ>ฮะครั้งที่7ดแล้วนะครั้งที่7ไม่ได้เขียนครั้งที่เนะครั้งที่7แล้ว ทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็พัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเห็นประโยชน์คุณค่าเพราะงั้นคนที่เข้าใจก็ติดใจก็มากันทุกครั้งพอมีประชุมเพื่อฟ้าดินกันก็มาใครไม่เห็นประโยชน์คุณค่าก็เรื่องของเขาแต่เราเห็นประโยชน์คุณค่าเห็นความสำคัญเราเราประชุมกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรที่จริงครับฮะครั้งที่เจ็ดแล้วนะครั้งที่7ไม่ได้เขียนครั้งที่เครั้งที่7แล้ว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 อย่างน้อยก็มาสัมมนามาสังสรรค์นนกันมามีอะไรมีความสุขก็มาแบ่งแจกกันมีความรู้อะไรมาแบ่งแจกกันมีเรื่องอะไรที่จะช่วยเหลือกเกื้อกูลกั น, กนทั้งนามธรรมาและรูปธรรมอะไรได้ก็ว่ากันไปรงานพอฟอดอนี้เรามาเริ่มที่นี่ที่จริงเราจัดมาที่ปทมโศกตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเราจัดมาจากที่โนนจัดมาแล้วก็เห็นว่าที่นี่เป็นที่ประชุมที่ดี เราจะทำได้เต็มที่เราก็เลยย้ายจากที่โน่นมาที่นี่คนภาคกลางที่ยังขี้เกียจอยู่แต่ก่อนนี้ประชุมอยู่ที่ปทุมสุโขขนภาคกลางก็เยอะมาประชุมกันเยอะมาสมัชากันเยอะทีนี้พอย้ายมาที่นี่มันก็ไกลปืนเที่ยงมามากหน่อยมาจากภาคกลางห0 0้อยรกิโลหลายคนก็ขี้เกียจเคลื่อนที่ติดยึดอย่างนี้แหละเป็นคนติดยึดเป็นคนเลี้ยงยากไปยากมายากอา้าปล่อยเขา คนไหนที่เห็นความสําคัญแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะมาก็มามากันนี่ยังทยอยกันมาวันนี้วันเช้ายังไม่ ไ, ม ไ, มได้จ ะ, จะมีคนเพิ่มขึ้นตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นมันก็ดังๆน้อยเพราะเป็นตอนแรกเริ่มต้นเลยเราจะต้องให้ที่นี่เป็นที่ที่จะให้ทั้งบรรยากาศที่น่าจะมาอบรม ให้ทั้งตัวเนื้อหาแก่นสารต่างๆที่จะมีให้สัมผัสให้ดูให้แลให้อาจารย์เป็นเป็นหมู่ชุมชนเป็นหมู่บ้านหมู่เมืองเพราะที่นี่เจรร๊จะพาชมกสิกรรมจะพาชมสิ่งผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราค่อยๆมีทั้งการผลิตมีทั้งสิ่งผลิตที่เป็นกสิจกรรมทั้งไม่ใช่กสิกรรมอุตสาหกรรมส่วนในบ้านในเรือนหรืออะไรใดต่างๆนานาก็จะมีนะเราก็จะได้ทั้งสัมผัสความจริงทั้งได้บอกกลา่าวทั้งได้ ปฏิบัติประพฤติตัวเองอยู่รวมๆกันสร้างวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จะเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพระราดอนระภาพอันนี้สำคัญมากเหมือนกันอย่างหนึ่งของสังคมเราก็จะต้องประทํากันไปด้วยเราเพึ่งเกิดพึ่งแก่เพึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้มีอะไรแบ่งแจกกเกื้อกูลกันมีจิตวิญญาณอย่างไรเสริมจิตวิญญาณด้วย อ, อ้าวอาตมาก็เลยเป็นหน่วยเสริม พรุ่งนี้ทําวัดเช้าอาตมาก็รับหน้าที่ไปพรุ่งนี้มรืนนี้ในการอบรมเนี่ยจนช่วงเช้าเดี๋ยว่าทำาวัดเช้าสามตีสามครึ่งมาถึงตีห้าครึ่งพรุ่งนี้ก็จะว่ากันในเรื่องกสิกรรมเนี่เจาะเข้าไปเลยไทยจะเรื่องอํานาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมนะชื่อเรื่องว่าให้อาตมาว่างั้นนะไทยจะเรื่องอํานาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมวันนี้ก็ยังไม่เน้นนักพูดกว้าง เพราะงั้นพรุงนี้เชา้าค่อยเน้นเจาะเข้าไปถึงไทยเจเริญอํานาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมพรุ่งนี้ทาําวัดเช้าธรรมมาจะได้เทศหรือบรรยายเรื่องนี้ฟังกันจะชัดขึ้นทําไมต้องมาเน้นเรื่องนี้ทําไมจะต้องทําเรื่องนี้และทําเรื่องนี้จะทําอย่างไรทําแล้วจะมีนโยบายอย่างไรนโยบายที่สุดแม้ที่สุดการตลาดจะทําอย่างไรนี่เป็นต้ น, นสมัยนี้ต้องใช้ภาษาอย่างเข า, าใช้ถึงขั้นจัดการ การจัดการการตลาดอะไรต่างๆนานานะต้องมีสัมพันธ์กับเขาให้รอบถวนเพราะเราอยู่กับสังคมสมัยนี้เขามันมีอะไรพฤติกรรมมันเยอะเราก็ต้องทําให้มันทันทันสมัยและสอดคล้องไปด้วยได้และเป็นประโยชน์แก่ทั้งตนและท่านไม่ใช่กลายไปเป็นเป็นประโยชน์แต่ของข้าเองเป็นผู้ที่เสียเปรียบอะไรไม่ใช่ข้าเป็นผู้ได้ก็ขอ อาตมาก็ขอย้ากับพวกเราไว้ก่อนนิดนึงว่าอย่างไรอย่างไรนคนเราก็ต้องกินต้องใช้และต้องอยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์ร่วมกันในโลกเราทำทั้งโลกยังไม่ได้เราก็ทำได้ในกลุ่มใกล้ชิดที่พอพูดกันรู้เรื่องมีแนวคิดมีอุดมการอะไรพูดกันได้ร่วมกันได้เอามาพัฒนากันก่อน เอามาสร้างสรรค์ให้เป็นจริงให้เกิดได้จริงเป็นจริงกันสักก่อนแล้วค่อยบอกกล่าวต่อๆขยายแพร่กระดกไปอย่าไปคิดถึงการแพร่การเผยแพร่หรือการโฆษณาอะไรก่อนมากนะักคนเราทุกวันนี้นี่โฆษณาเผยแพร่เห็นผลเลยไปงมงายกันจะเอาแต่เผยแพร่โฆษณากันก่อนทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เป็นยังไม่ดียังไม่แข็งแรง มันต้องให้แข็งแรงตั้งมัน่นดีๆมีปริมาณพอคุณภาพเหนียวแน่นยั่งยืนเดี๋ยวนี้ก็ใช้สั์ตรงนี้เหมือนกันท่องถึงขั้นยั่งยืนนะ ส, สติเบิอะไรกันได้สั ก, ก่อนจึงค่อยนะถึงค่อยแพร่ถึงค่อยโฆษณาถึงค่อยแจกออกไปนะั่นถึงจะดีถ้าไม่งั้นยังไม่ทันปอเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอะไรเลยเอาวแล้ว คุยเคืองล้ำหน้าไปอีกซะด้วยนะมันจะไปกันใหญ่นะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ก่อนอลไรตอนนี้ได้เวลา1ิบโมงพอดีเป๊ะจะยังไงยังไงก็ท่านสร้างธรรม น่าไรขั้วแวแดนไทยเราไทยเราวา่านมาก่วงมาขา้งมากรามากลางพืชผนต่างๆล้วนงามระงับในนามีขา้าวในนามีขา้านดิ่งพวเราแสนดีเสมอบ้านเมืองรษาษฎ